สวัสดีวันนี้ฝนก็ตกที่แอดมเนนตนเมืองแคนาดาขณะ น, นี้หลวงพ่ออยู่ที่เมืองแคนาดาทำไมจริงต้องอยู่เมืองแคนาดาเพราะว่าต้องการอยากจะสอนฝรั่งให้เขารู้ในเรื่องสมาธิ และตั้งใจที่จะสอนฝรั่งให้เขาเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ใช่เข้าใจเพียงลวกๆให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดใช้เวลามาเป็นเวลาสิบกว่าปีมานี่ผลก็ออกมาอย่างดีที่สุดก็คือพวกเขาได้รู้ว่าสมาธินี่มันมีประโยชน์อย่างไร และทำอย่างไรถึงจะทำเป็นสมาธิที่ถูกต้องและสมาธิที่ผิดก็ก็ได้มีความเข้าใจกันเป็นจำนวนมากเวลานี้แล้วก็สามารถตั้งเป็นชมรมหรือเรียกว่าตั้งเป็นคณะมีตั้งหลายคณะทั้งคณะ v ว n คูเวอร์คณะแ d ดเวนต n คณะแคน g a รี คณะโตเรนโต้คณะน้ำตกแองการาคณะออตตว่าก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าชื่นชมอย่างไรก็ตามหลวงพ่อตั้งใจอยากจะอธิบายถึงเรื่องมงคลคำที่ว่าเป็นมงคลนั้นมีอยู่ถึงสามสิบเจ็ดประการก็แสดงมาตามลำดับมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ก็มาถึงขันติจะโสวจัตตาขันติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนเรานั่นอยู่ร่วมกันมันเหมือนกันกับดาบดาบที่อยู่ในฝักเดียวกันมันก็กระทบกันกุ้งกิงกุ้งกิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อ เรามาอยู่รวมกันมันก็มีความเห็นแตกต่างกันมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเพราะตามปกติแล้วนั่นมนุษย์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวมันก็เป็นโลกไม่ได้แต่เมื่อมาอยู่รวมกันหลายคนก็นจึงเรียกว่าโลกเพราะฉะนั้นในการที่เป็นเช่นนี้จึงต้องมีขันติไว้เป็นเครื่องมือ ความอดทนนั้นมีอยู่สามอย่างอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความกราด ก, กรัมอดทนต่อความเก็บใจความอดทนทั้งสามประการนี่แหละที่ทำให้เกิดความสามัคคีทาความอดทนทั้งสามประการนี่แหละที่จะทำให้คนอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นศขเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นน้าฝ่ายหนึ่งก็ต้อง เอ่อขัดไฟหนึ่งเป็นไฟไฟหนึ่งก็ต้องเป็นน้ําเพื่อที่จะไม่ได้ให้รุกลามมากเกินไปอดทนต่อความลาบากนั่นทุกคนต้องมีความลําบากในร่างกายของเรานี่ยทุกวันนะ่ะไม่ใช่ว่าแจ่อยู่ด้วยความสุขสบายก็มีความลาบากลำบากยังไงหายใจเราหายใจอยู่ทุกวันนี้ต้องประคับประคองการหายใจหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ หมดความเป็นมนุษย์แต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังถือว่าเป็นมนุษย์ก็รักษาความรักษาลมหายใจอยู่นี่ด้วยการรับประทานอาหารบ้างด้วยการออกกําลังบ้างด้วยการาทําสารพัดก็เพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตเรื่องของการเป็นอยู่ของชีวิตนี่มันมากมายมโหฬารมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียน มีทั้งบ้านเรือนมีทั้งอาหารมีโอสารพัตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะต้องได้มาด้วยความอดทนทั้งนั้นแม้จะลาบากทานไรเราก็จะต้องทำไม่แช่ลาบากอย่างเดียวไม่แช่ลำบากวันเดียวต้องลาบากชั่วชีวิตของเราเนี่ยจึงเรียกว่าอดทนต่อความตรากตรำตรากตรกันทำกันไปเรื่อยทางกันไปเรื่อย รับประทานการอาหารกันทุกวันมันจะเผ็ดมันจะเปรี้ยวมันจะอะไรก็รับประทานแล้วก็ยังต้องถ่ายทุกวันถ้าไม่ถ่ายก็ตายอย่างนี้มันก็จะต้องมีอยู่ในร่างกายอันนี้เรียวกว่าเป็นการส่วนตัวแล้าเป็นการที่เราจะต้องทำอยู่ในหมู่คณะในความอดทนนี่มันมีการมีงานอะไรขึ้นมาก็ช่วยกัน เรียกว่าทํำด้วยความสรุปด้วยความบริสุทธิ์ใจต่างคนต่างช่วยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาช่วยเราเราช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นอดทนต่อความเจ็บใจตามธรรมดานั่นคําพูดมันก็เป็นเครื่องสําคัญอยู่ไม่ใช่น้อยเมื่อพูดลงไปแล้ว แล้วก็มีความแร็งใจมีความอะไรอะไรอะไรต่างๆเหล่านีา้แล้วก็มีรับลมคมในมีนอกมีในอะไรสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นก็อย่าให้มันเป็นพิษเป็นภัยเขาเรียกคาว่าถ้าหากว่ามีการกรทบกันขึ้นก็อดทนกันไปถ้าหากว่าไม่อดทนเนี่ยมันก็เกิดการแตกร้ารวะหว่างครอบครัว คยความแตกเล่าระหว่างหมู่คณะสังคมมีความแตกเล่ากันทั้งประเทศมีความแตกเล่ากันทั่วไปนี่คือความไม่อดทนอ่แต่เมื่อมีความอดทนแล้วก็ยืดหยุนเพราะคนเรานั้นเราจะต้องทราบว่าสีเท้ายังมีพลาดนักปราชัตยังรูปรังอ่ามันไม่ใช่ว่าคนเราจะพลาดไม่ได้ไม่ว่าใครอ่ะ แม้ว่าจะคิดว่าเราเป็นนักปราดมีความฉลาดมันก็พลาดจนได้อย่างไระอย่างไรก็ตามความอดทนต่อความเจ็บใจนั่นคือมันอาจจะเกิดขึ้นในขณะนี้พอเวลาที่เราเระ ง, งับใจได้แล้วต่อไปก็คิดได้โอ้ถ้าหากว่าเร า, าพลาดไปก็คงจะพลาดใหญ่โตอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้น ความอดทนทุกความลำบากอดทนทุกความตรากตรำอดทนทุกความเจ็บใจความอดทนจึงเรียกว่ายังประโยชน์ให้สําเร็จพระพุทธเจ้าเสด็จบําเพ็ญบารมีโพธิญาณก็เรียกว่าขันติบารมีอดทนจึงกะทั่งแม้ว่าจะเอาชีวิตเขาแรกก็อดทนได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยจึงมีความสําคัญต่อชีวิตของบุคคล เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่อดทนคือคนที่อับปะมงคลผู้ที่อดทนคือคนที่เป็นมงคลให้คิดเอาไว้อย่างนี้คือคนที่อดทนได้แม้ว่าเขาจะว่าเขาจะด่าหรือเขาจะอะไรต่างๆก็อดทนเอาต่อไปมันก็ดีเองอย่างนี้เป็นต้นความอดทนได้นั้นถือว่าเป็นมงคลถ้าอดทนไม่ได้ก็ต่อสู้กันเกิดขึ้น มันก็เป็นอัปะมงคลขึ้นมาข้อที่สองต่อไปแทนว่าโสวจัตตาการพูดด้วยความไพเราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโมโขโกัยานิยาสาทุวาจาดียังประโยชน์ให้สำเร็จวาจานี่มันเป็นของสำคัญการที่เราจะสื่อสารกันในทุกวันเนี่ย เราจะเอาอะไรสื่อสารก็สื่อสารกันทางวาจาสื่อสารในการตัวหนังสือสื่อสารด้วยคำพูดอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้การสื่อสารเหล่านี้หรือการพูดเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องใช้คำว่าสุภาษิตสุภาษิตแปลว่าความพูดที่ไพเราะบางคนนั่นนะ ไม่รู้จักการละเทสะพูดกันไปแล้วถ้าเห็นใครก็ด่าเห็นใครก็ว่ า, เ, าเขาก็เจ็บใจอ่ะแม่เจ็บใจมันก็ต้องผูกอาฆาตกันอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าวาจาดีเนี่ยคนที่ทำการทำงานอะไรตา่ตางๆก็ยกย่องสนเสนญหรือว่าพูดจาดุดร้อนไปรอ้อง ไม่ใช่ว่าใช่วาจาก่มขู่บุคคลผู้อื่นหรือว่าใช้วาจาด่าเขาหรือว่าใช่วาจาสอเสียดเขาเยอะว่าใช้วาจายุยงส่งเสริมเหล่านี้เขาเรียกว่าวาจาไม่ดีไม่ใช่สุภาษิตวาจาที่เป็นสุภาษิตคือวาจาที่พูดเพื่อความสมานสามเครวาจาที่พูดให้เขาได้ยินได้ฟังว่าอันนี้คือธรรมะ ส่วนนี้ส่วนดีส่วน น, นี้ส่วนชั่วแห่งละความดีประพฤติความชั่วยอย่างนี้คือวาจาดีก็คืออย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา8ปดหมี่พันพันลขันล้วนแล้วแต่เป็นสุภาษิต ท, ทั้งนั้นที่เอามาเป็นการสอนใจคนเรานั้นถ้าหากว่าจะพูดว่าเจ้าข่มขู่กันแล้วเนี่ย มันก็ตามคนก็ต่างไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันอะไรเกิดขึ้นวิวาทะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโสวจัสตาวาจาที่ดีนั้นเป็นมงคลแต่วาจาที่ไม่ดีนั้นมันก็ไม่เป็นมงคลทมไมถึงไม่เป็นมงคลมันก่อความทะลาะก่อความมีวาดวาจาสอเสียดคนนู้นมีหน้ามีหลัง มีรับลมคมในอยู่ด้วยกันก็ระวังระแวงสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ดีคือไม่ใช่เป็นสุภาษิตไม่ใช่เป็นวิวจาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโมขะกรรยานิยาสาธุการที่มีวาจาดีนี่อย่างประโยชน์ให้สำเร็จแต่ กองกันข้ามคนที่มีวาจาชั่วนั้นเป็นอัปมงคลบางคนเนี่ยเนี่ยไม่รู้จักอะไรต่ออะไรก็พูดไปสละสะเปืเป้อนไปเรืออะไรต่างๆคือว่าความระแวงในจิตใจเนี่ยเราอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยความบริสุทธิ <c> ์ <oughs> มีความซื่อสัตย์ถุเจริต มีความใสสะอาดภายในจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะ เ, เปล่งวาจาออกไปนั้นก็ควรที่จะต้องมีสเตให้คิดถึงว่าถ้าวาจาดีเป็นมงคลถ้าวาจาไม่ดีเป็นอับปามงคลไม่รู้ละไม่รู้ว่าท่านจะเป็นใครอะถ้าพูดวาจาไม่ดีออกไปแล้วเนี่ย มันจะในขณะนั้นตัวของท่านกำลังเป็นอัปปะมงคลอยู่แล้วตรงกันข้ามในเมื่อท่านได้พูดวจาที่ดีไพเราะวจาที่เป็นประโยชน์ในขณะนั้นเวลานั้นท่านกำลังเป็นมงคลเพราะฉะนั้นจงตรวจ ด, ดูตัวของเราว่าเราเป็นมงคลหรือไม่สวัสดีสาธุ